วันนี้เป็นวันที่หพฤษภาคมพุทธศักราช 2,555 วันนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันพระขึ้น1ิบหาค่ำเดือนหแต่ตามไม่จริงวันเดือนหกเพเนี่ยเป็นวันวิสาขาบูชาทุกปีแต่ปีนี้เป็นแปดสองหนเป็นวัน15เดือนหแรกนะเขาจะจัดเดือนเดือนหหลัง เป็นวันวิสาขบูชาเพราะนั้นจากวันนี้ไปหนึ่งเดือนนะจากวันนี้ไปหนึ่งเดือนเป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาแต่วันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกคณะธาญาติโยมเป็นวันอุโบสถของพระสงฆ์แต่ว่าเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาในประจำปีหรือว่าเดือนก็ได้นะ แต่เมื่อวานหลวงพ่อไปฉันที่อุดรบ้านโยมไปกับหลวงปู่พระอุดมยานโมโลีมาเป็นประธานแล้วกัหลวงปู่บุญมีหลวงปูล่ลีเป็นพระผู้ใหญ่พระทั้งหมดก็หลายรูปนะแต่กับน่ายินดีก็คือเจ้าภาพใจใหญ่นะมีศรัทธาถวายหลวงปู่ เพื่อบำรุงสร้างโบสถ์บุรณะโบสถ์วัดโพธิสมพรหนึ่งล้านบาทนะแล้วก็ถวายบำรุงระ่ ว, ว่าสร้างตึกบำรุงตึก CICU ที่หลวงปู่ท่านกำลังหาทุนอยู่ที่จะทำให้แกโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยหนักเงงบประมาณ30กว่าล้าน เนี่ยเขาก็ถวายม า, ม า, าเมื่อวานหนึ่งล้านบาทไปว่าเจ้าภาพพ่อแม่ลูกหลานคนคนเดียวถวายสองล้านมาาเมื่อวานหลวงพ่อได้ยินแล้วก็เออเนี่ยผู้ที่ช่วยสาธารณประโยชน์ก็ยังมีอยู่ในประเทศไทยเพราะนั้นประเทศชาติจะเจริญรุง่งเรืองได้ก็ต้องเนี่ยอาศัยน้ำใจของพี่น้องประชาชน ร่วมสร้างพระอุโบสถหรือโบสถ์วัดโพธิสมพรหนึ่งล้านบาทแล้วก็สร้างห้อง CICU ของโรงพยาบาลสุขุดอนสำหรับผู้ป่วยหนัก1ล้านบาทเนะมื่อวานฉันยังหันเสร็จแล้วก็เลยได้ปดูที่หลวงพ่อเป็นประธานฝ่ายสงตึกหนีไฟก็กำลังทำไปได้ดีอยู่กำลังเทสั้นที่4ี่เมืม่อวานก็ทราบว่า น้องของหลวงตาของเรานะ่ะคุณแม่จันดีมาป่วยอยู่ที่ตึกที่หลวงตาสร้างใหม่เพื่มอบอยู่ชั้นเจ็ดมนะหลวงพ่อทราบข่าวก็เลยขึ้นไปเยี่ยมเยี่ยมเพลนเยี่ยมผู้สูงอายุเยี่ยมคุณแม่ก็รู้สึกว่าหน้าตาท่านสดใสว่าท่าน ม, มีมีทุกอยู่แล้วท่านมีธรรมอยู่แล้วคุณแม่จันดีจากนั้นก็ถามว่าทไมเพราะท่านหกล้มหกล้ม ก้นกระแทกกับพื้นก็เลยทำให้สุขภาพเราเดินไม่ค่อยได้ก็เลยนอนอยู่โรงพยาบาลศูนย์อุดรน่ตึกของหลวงตาหลวงพ่อก็ได้ขึ้นไปตึกหลวงตาเมื่อวานทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องลูกหลานนอนเต็มไปหมดเลยทุกเตียงเลยอยู่ในโรงพยาบาลตึกที่หลวงตาสร้างให้ ขึ้นไปอยู่แต่ลุงพ่อก็ขึ้นไปแต่ชั้นเจ็ดเขาว่าเต็มทุกชั้นแล้วประงพยาบาลอุดอรเนี่ยมันคนมันแน่นตลอดแตนี้พอเปิดขึ้นมานี่หลังนี่ยก็สองร้อยห้าสิบเก้าเตียงนะทั้งหมดตึกหลังนี้นะตึกกองหลงตายสองอห้าสิบเก้าเตียงแต่มื่อวนลุงพ่อขึ้นไปแต่ชั้นเจ็ดแต่รู้สึกว่าทุกเตียงก็เต็มไปหมดในชั้นเจ็ดนั้น จากนั้นหลวงพ่อก็ได้กลับมาวานนี่แหละภาระะของหลวงพ่อถ้าลูกหลานนานๆมาวัดก็คงจะโอ้หลวงพ่อคงไม่ได้ไปไหนแต่ตรหลวงพ่อเดียบอ อ, ออกนู่นออกนี้ออกนี้ออกนั่นอยู่เรื่อยแต่วันที่สิบสามนี่นก็เจดีของหลวงตาทางมหาวิทยาลายัยศิลป ก, กรกรุงเทพผู้ออกแบบ เจดีโรงตาก็จะขึ้นมาประชุมหารือกับพระสงฆ์วันที่สิบสามสิบสี่พุทธสภาเนี่ยนะถ้าหาว่าไม่มีใครขัดข้องหรือว่าไม่มีใครไม่มีการปรปับปรุงแก้ไขใหม่ก็คงคิดวันวางสิลเลิกแหะจังวัดเจดีหรือพิพิธภัณฑ์ขององค์โลงตาเนี่ยสร้างแน่ทางกรมศิลเขาบอกอย่างนั้นถึงยังไงก็ ควาหญิงจุลาภรณ์ที่เป็นลูกสาวองค์หลวงตานี่ยนะเป็นประธานนะสร้างเจดีหรือสร้างพิพิธภัณฑ์ในคราวนี้เนีอันนี้ก็หลวงพ่อก็ได้รับทราบสรุปแล้วก็คือเจดีของหลวงตาเนี่ยสร้างอาจจะเป็นเจดีหรือไปพิพิธภัณฑ์ก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะหลวงพ่อยังไม่ได้เข้าประชุมแต่วันวานวันก่อนในวัดของเราก็รลูบลงตากระมาแล้วนะนะลูบลงตามหาบัว ทางเชียงรายเขาส่งมาให้แล้วเมื่อวานเขาส่งเองเก็บยังเก็บไว้อยู่ยังไม่เปิดเดี๋ยวอาคารเสร็จเมื่อไหรล่ลราจะเปิดให้พวกเราได้กราบไหว้สักการบูชาเหมือนอยู่นะเป็นหินขาวเป็นหินขาวหินแองคาร่าเหมือนกับพระภูก้อนนะเดี๋ยวนี้หลวงพ่อกําลังสั่งอีกให้ช่างเขาทํารูปหลวงปู่มั่นองค์หนึ่งหลวงตามหาบัวองค์นึง หลวงปู่ล่าองค์หนึ่งคุณแม่ชีแก้วสองทำไมคุณแม่ชีแก้วจะมีสองจะเอาไปไว้ที่เจดีบ้านห้วยทรายองค์หนึ่งแล้วก็จะเอามาไว้ที่วัดของเราเนี่ยองค์หนึ่งกลุ่มคุณแม่นะเดือนนี้กําลังทําคิดว่าจะสร้างฐานทําเป็นห้องพระที่โรงน้าร้อนของเราเน่ยจะห้องพระข้างบนศาลาหมดที่จะนั่งละที่จะไปทําไปสร้างใหม่ที่นู่นนะ พี่น้องประชาชนได้กราบได้ไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ประมาจารย์คือตนตระกูลคือหลวงปู่มั่นแล้วก็หลวงตามหาบัวนี่หลวงพ่อมาอยู่ปฏิบัติฟังธรรมเทศนาศึกษากับท่านเป็นเวลา14ปีมาจำพรรษาปี2512สแล้วก็ปลายปี2525ย 25. ส้าออก หลวงพ่อนับนับดูมันเป็นเวลา14ปีอยู่กับองค์หลวงตาแล้วก็อยู่กับหลวงปู่ล่าเนี่ยเป็นสมเนีจุแเนี่ยเป็นพระในีหนึ่งพรรษารวมได้เป็น9ปีจำพรรษาอยู่หลวงปู่ลาเนีอยู่หลวงปู่จามหปีแล้วก็อยู่กับห ล, งล 8, 11, วลปปล ง, ป, ลลง ป, ปู่แห ว, วนจุจินโนจังเชียงใหม่1ปีสรุปแล้วก็คือที่หลวงพ่อได้จำพรรษา ก, กับครูบาอาจารย์ สี่องค์สี่รูปแต่อยู่กับหลวงตามหาบวัวรู้สึกจะนานกว่าทุกองนั่นก็หลวงปู่ลาแต่หลวงปู่ลาเนี่ยท่านเป็นอาจารย์คนแรกที่แนะนำบอกกล่าวหลวงพ่อในสมัยเป็นเนนจนเป็นพระลุงนิติภาวะนิติภาวะก็คือบวชเป็นพระยี่สิบปีนะจากนั้นก็ได้กาปลาท่านองค์หลวงปู นี่แหละหลวงพ่อก็ได้ น, นึกย้อนหลังทีนี่นี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ผู้บิวปกระคุณหลวงพ่อก็ได้จะสร้างหลวงปู่มั่นเนยเพื่อเป็นต้นตระกูลพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาอย่างนั้นก็องหลวงตาแล้วก็หลวงปู่ล่าแล้วก็คุณแม่คุณแม่ชีแก้วเนี่ยก็เป็นคุณแม่ของหลวงพ่อตั้งแต่หลวงพ่อยังไม่เกิดท่ ท่านก็ทำนายทายทักมาบัด น, นี้ก็เมื่อท่านหลวงรับดับขันไปกส็สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องเชิดชูบูชาถึงท่านจะเป็นผู้หญิงแต่ว่าอัติธาตุของท่านกระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้แก่พวกเราได้เห็นได้ดูสรุปแล้วก็คือกระดูกของพระอรหันต์ผู้จิตใจบริสุทธิ์หลุดพาะ น, นั่นเองที่หลวงพ่อก็จะเอาทั้งสั่งมาทั้ง4องค์ให้เขาแกะสลัก เป็นหินแองกราร่าเป็นหินขาวทั้งหมดนะแต่ว่าหลวงตาเนี่ยมาก่อน่ะ อ, องคหลวงตานมาก่อนมาเมื่อวันวันก่อนมาอยู่วัดเราแล้วเดี๋ยวนะี้หินขาวดูแล้วก็สวยสวยงามดีในระดับหนึ่งนะจะให้มันถูกจใจเรามันทุกอย่างมก็คงจะไม่ถูกล่ะแต่ให้ตัวเองทําก็ทําไม่ได้เทําทไม่เป็นแต่คนอื่นทำเลยตีเอา้าตีเอา้เอาคนเรามันเป็นลักษณะอย่างนั้นอะ แต่ตามมจริงบางครั้งก็น่าติอยู่าะทําวาจะิน่าติมองมองดูแล้วองค์นี้เป็นองค์ไหนเหไม่รู้เนี่ยมองดูกันไม่รู้องค์ไหนนีก็ะทั่งไปมองเอไปดูดข้างล่างอย่างแลโออันนี้เป็นรูปหลวงปู่ขาวเหมือนแต่ชื่อกันน่ยไม่ให้เขาตําหนิก็ไม่ได้ยูปอย่างงั้นทำมาเหมือนเป็นรูปพระไม่นรูปพระองค์ไหนเหก็ทั่งไปดูรูปไปดูชื่อยังค่อยรู้ว่านี่รูปหลวงปู่ขาว อันนั้นก็น่าตําหนิแปลว่าช่างฝีมือไม่พอไม่ถึงแต่ถ้าาว่าละไมคล้ายเดี ว, วันมองดูแต่ไกลก็เอออันนี้เป็นรูปดวงตาละก็น่าจะใช้ได้เพียงแค่นั้นก็น่าจะพอจะจะให้เหมือนทุกอย่างก็ไม่ได้โปรแกรปั้นรูปดวงตาแล้วแกะรูปดวงตาแก่ยากเลยทําไมจงว่าแกะยากเพราะว่ารูปของดวงตาเนี่ยมีอริยบทมากายหลายอริยบทบางอริยบทก็เดิน เออธรรมดาบางทีก็ขึงนีบางทีก็ทนก็ยิ้มบางทีก็ท่านก็มีอากับกิริยาหลายอย่างเพราะฉะนั้นช an> ่างพูดที่จะแกะสลักหนึ่งไม่รู้จะเอาอากับกิริยาไหนมาใส่ในรูปเหมือนเนี่ยเพราะรูปเหมือนมีอัญญาบทเดียวเด้ถ้าว่ายิ้มก็ยิ้มอย่างเดียวถ้าขึงก็ขึงอย่างเดียวถ้าเฉยก็เฉยอย่างเดียวแต่ว่าเฉยก็ไม่รู้กี่เฉยอีกทีนี่เพราะนั้นเวลาเขาจะแกะสลักเนี่ยเขาแกะยากมาก หลวงตาเนี่ยท่านได้ขนาดใดขนาดหนึ่งในคณะพระโอกเก่งแต่ไม่เหมือนหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นเนี่ยมีอริยบทสองอริยบทเองมีติดรูปนั่งกับรูปยืนเขาแกะยาก็เหมือนหลวงปู่มั่นทั้งนั้นเหมือันเพระเห็ุอะไรเพราะหลวงปู่มั่นไม่มีอริยบทหลายอริยบทใครค้าวหน้าแบบเดียวแล้วก็แกะได้อย่างนั้นเหมือนหลวงปู่มั่นเลยจบแกะหลวงปู่มั่นแกะง่าย แกะลงตาเนี่ยไม่ใช่แกะง่ายๆหลวงพ่อเออเอาแต่ราคาก็แพงนะฟังๆดูแล้วที่แรกว่าประมาณห้าแสนพอเอาเข้าจริงๆเ อ, อเพราะว่าหินเนี่ยเขาซื้อหินอีกก็ตีราคาหินแพงเกินไปว่าสองแสนเขาก็เลยว่าโอ้ถ้าได้มันต้องหกแสนแล้วหลวงพ่อหกแสน ก, กว่ากไม่ใช่หกแสนทวนอีกต่างหากเ อ, อ้ยแล้วก็เ อ, อ้ยเกินไปมาก เอาคิดออกมาคำนวณให้ถีท่วนดูสิเดี๋ยวจะบอกเจ้าภาพเขาเดี๋ยวจะบอกเจ้าภาพนี่แหละเากำลังไปคิดอีกทีหนึ่งคงจะอีกไม่นา น, นก็คงจะได้บอกตัวเลขชัดเจนจากนั้นก็ชวงจะได้แกะองค์อื่นต่อไปแต่เขาฟังๆดูแล้วโอ้เขาก็ไม่ใช่ทำได้ไง่ายๆเหมือนกันนะพอเหตุใพบผลปั้นหุ่นอีกคนกลุ่มหนึ่ง อาจารย์ช่างอีกกลุ่มหนึ่งปั้นหุน่นพอปั้นหุ่นขี้พึ่งเสร็จแล้วเอเขาเอาน้ําแข็งอะไรโปะอย่างดีหุ้มอย่างดีวิ่งขึ้นกลางคืนวิ่งกลางคืนขึ้นไปเชียงราย เ, าเพื่อมาให้มันร้อน่ะไม่ให้หุ่นขี้พึ่งมันเสื่อม่ะขึ้นไปต้องต้องเข้าตู้แอร์เข้าตู้เย็นอีกอา่าแล้วจะค่อยมาแกะดูให้เหมือนเอวัด ให้ได้ขนาดทุกอย่างเนะี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาทําได้ไง่ายๆเหมือนกันนะหลวงพ่อว่าถ้าหากว่าให้หลวงพ่อทําเนี่ยโอ้ยยี่สิบล้านหลวงพ่อก็ยังเอาไม่ได้เหนกะันเด้อเอาหลวงพ่ออินแกะสร้างพระองค์เนียวจนเสียหายยี่สิบล้านโอ้ยบ่เอาไปไปแกะหินใช่ไหมอันนี้เขาคนศิลปะหรือว่าช่างของเขาเขาก็ทําได้ดูๆแล้วก็โอ้ได้สวยงามแต่เขายังเสนออีกนะ หลวงพอ่อหลวงพอ่อรูปหลวงตามหาบัวเนี่ยหลวงตาเนี่ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้มีคุณอุปการต่อประเทศชาติต่อโลกผมว่าน่าจะทำให้รูปหลวงตาเนี่ยนั่งสมาธิหน่าตักนั่งตรงสมาธิเนี่ยเก้าเม็ดสูงสักสิบห้าเม็ดเป็นหินแองการานั่งตัางงาน อ, อ, อผมว่าจะเป็นสง่านะ มีคนเสนอหลายคนเออใช่เว้ยหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อก็ทึงในใจเหมือนกันนะอลวงตาน่าจะขนาดนั้นแหละออนั่งใส่แท่นที่ดีแล้วทําเป็นโดมหรือทําเป็นถ้ำเจ้เห็นอ่อนเนยต้องอยู่ในถ้านะถ้าอยู่ตากแดดตากฝนไม่ดีมันด้านมันถือว่ามันด้านถ้าอยู่ในถ้าเนี่ยเท่านนั่งอยู่ในถ้ำแล้วอยู่ในที่ร่มหลวงตานั่ง ให้เขาแกะสลักคนทั่วโลกก็จะได้มากราบมาไหว้หลวงพ่อโอ้ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะทํากับหลวงตาเนี่ยต้องทําให้ยิ่งใหญ่ <c oughs> เพื่อบูชาพระคุณของท่านที่ท่านทําคุณูปการให้แก่ประเทศชาติจะหาได้ที่ไหนท่านเป็นผู้ได้มาเท่าไหร่เอาเข้าคลังหลวงทั้งหมดทั้งทองคําตั้งสิบสามตันนี่สิบามตันเป็นเท่าไหร่เงินทุกวันนี่คิดออกมาสิ บาทหนึ่งมันเท่าไหร่บาทหนึ่งสองหมืนกว่าบาทมันกี่สิบสามตันมันกี่บาทเท่าไ่คูณหนูซิมันเท่าไหร่โอ้เท่าคนคูณไม่เก่งเนี่ยแปว่าคูณไม่ออกก็แล้วกันน่ะมันหลายหมื่นล้านน่ะลงตาหาเงินเข้าคลังหลวงเป็นหลายหมื่นล้านที่ได้ที่ไหนในประเทศไทย จะว่าในโลกอีกต่างหากไม่ใช่ในประเทศไทยในโลกกี่คนที่หาทองคําเข้าคลังหลวงได้ขนาดนี้หลวงตาหาได้นะเข้าคลังหลวงะทุกวันนี้ธนบัตรของเราเมืองไทยของเรามันมีคุณค่ามันแข็งขึ้นมาเนี้ยเงินของหลวงตาทองของหลวงตาอยู่ในคงคังอมีประโยชน์ต่อลูกต่อหลานต่อพวกเราทุกคนที่เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยต้อง พึ่งพาอาศัยเงินทองคําของหลวงตาถึงจะไม่คิดว่าข้าไม่อาศัยไม่อาศัยได้ยังไงธนาบัตรพิมพ์ออกมานี่ยก็ต้องแต่ทองคำเนี่ยเป็นค้าประกันถ้าไม่มีเงินคงคลังค้าประกันเนี่ยธนบัตรของเราเนี่ยเป็นเศษกระดาษเหรอเนีป็นกระดาษเศษธรรมดาเนีถึงจะมีคุณค่าก็คือเอาประเทศชาติเอาแผ่นดินไทยเป็นเพื่องค้าประกันเนีเขาก็ให้คุณค่าไม่มากค่ะ ถ้ามีเงินคงครางที่เลื่อนไหลได้เนี่ยเขาจะให้คุณค่ามากเพราะเงินก็จะต้องแข็งขึ้น น, นี่แหละหลวงตาทําคุณอุปการให้แก่ประเทศชาติมากถึงขนาดนั้นเพราะจะทําอะไรกับองค์หลวงตาจะสร้างอะไรกับองค์หลวงตาจะต้องให้เหมาะสมให้เหมาะสมไม่ใช่ว่าทำเล็กๆน้อยน้อยกิก๊กก็ก็ไม่ได้หลวงพ่อว่านะในความคิดของหลวงพ่อนะเพราะนั้นเวลาจะทําอะไรในด้านวัตถุ แต่ถึงยังไงพวกเราเราจะคิดแต่วมดถานวัตถุอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องคิดถึงปฏิบัติบูบชาด้วยนะเพราะในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านให้ปฏิบัติบูชาเนี่ยมาในอันดับหนึ่งแต่อามิจจบูชาพวกเราก็ทำทางอามิจจบูชาด้วยปฏบิบัติบูชาด้วยอามิจจบูชานึ่งคืออะไรที่หลวงพ่อได้พูดมาเนี่ยคืออามิจจบูชา บูชาองค์หลวงตาสร้างหลุมเหมือนสร้างเจดีย์สร้างเป็นพิธภัณฑ์เพื่อบูชาพระคุณหลวงตาปฏิบัติบูชา้คืออะไรปฏิบัติบูชานั่นคือหลวงตาแนะนําสั่งสอนอย่าเป็นคนชั่วเน่าลูกหลานเน่าเป็นคนดีเน่าให้มีศีลธรรมเน่าให้มีศีลห้านะให้ทางอกตั้งใจภาวนาปฏิบัติเนะ่าในเมื่อหลวงตาสอนอย่างเนี้คือจุดประสงค์ของหลวงตาหลวงตาสอนอย่างนี้พวกเราก็ปฏิบัติตาม ทำคำสอนขององค์หลวงตาที่ท่านบอกกล่าวที่ท่านแนะนำสั่งสอนไม่ฝ่าฝืนไม่ล่วงเกินคำสอนของท่านท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามนั้นแล้วก็จนถึงจุดหมายปลายทางคือหลวงตาบอกว่าจนให้ภาวนาจนให้พ้นทุกข์ในวัฏฏสงสารนอะถึงพระนิพพานจะมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างเราเนี่ยปฏิบัติทีหลังอย่างเราเนี่ยในพวกเราก็ปฏิบัติ จิตใจของเราที่พ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารถึงอย่างเหมือนองค์หลวงตานั่นแหละแปลว่าปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาพระคุณของหลวงตานั้นเลิศประเสริฐกว่านะในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอเลิศประเสริฐกว่าอามิชฌบูชาอามิชฌบูชานี่เป็นรองปฏิบัติบูชาเนี่ยเป็นมาในอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นพวกเราถึงจะไม่มีจะตุปัจัยไม่มีเงิน แต่ไม่มีส่วนอามิสบูชาถึงจะมีน้อยเราถวายบาท่าสิบสตังก็ได้เป็นอามิสตบูชาแต่ให้พวกเราเน้นทางปฏิบัติบูชาเนี่ย เ, เพลเผลยังเลิศกว่าคนที่บริจาคร้อยล้านพันล้านอีกต่างหาก เ, om, เพอ่เพลย์หมื่นล้านอีกต่างหากบริจาคหมื่นล้านก็สู้เรานั่งภาวนาปฏิบัติบูชาองค์หลวงตานจนได้สําเร็จเป็นพระอระหรันต์ ในเมื่อเป็นพระอรหันเนื้เลิศ ก, กว่าคนที่บริจาคถึงหมื่นล้านน่ะแหมพูดอย่างนั้นไม่น่าผิดเลยไปพูดให้ปู่บายอาจารย์องค์ไหนฟังน่ะแหม่พูดได้เลยเหม่ข้าพระเจ้าปฏิบัติอบูชาองค์หลวงตาเยจิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสแล้วเหม่มั่นใจแล้วคนหนึ่งบริจาคเงินสร้างพระเจดีย์หรือสร้างทาวรวัตถุเป็นหมื่นล้านแต่แต่คุณค่านั้นใช่ได้ด้านวัตถุ ออกจากชาตินั้นไปแล้วบางทีเขาอาจจะไปอยู่อยู่สวรรค์ชั้นพรมไปสวรรค์ชั้นไหนเพราะอา น, นิสง์ในการทับุ่ทําทานด้วยความรักเคารพนับถือบูชาพระคุณขององค์หลวงตาหรือพระทหารหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยออกจากนั้นมาเขายังไม่แน่นอนนะบางทีลงมาจากชั้นสวรรค์อาจจะมาเกิดเป็นหมูหมากาไกา่เป็นสัตว์ที่ฉันช้างม้าวัวควายไปได้ทั้งนั้นตกนรกหมกไหมไปได้ เพราะเหตุไรเพราะมีอมิจวบูชายังไม่ถึงปฏิบัติบูชาถ้าปฏิบัติบูชาได้แล้วนั่นแหะจิตใจมาตรฐานจิตใจมั่นคงจิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเป็นพระอริยะเจ้าเป็นพระราหันจบเลิศประเสริฐที่สุดนั้นพวกเราให้ปฏิบัติบูชาเถอะประเสริฐที่สุดในวันนี้เป็นวันพระอีกต่างหากสําหรับพระสงฆ์ก็เหมือนกันพระสงฆ์ การปฏิบัติธรรมต้องมีวันหนักวันเบาอย่างวันวันนี้วันอุโบสถเนี่ยข้าพเจ้าจะอดนอนตลอดทั้งคืนข้าพเจ้าจะเดินจงกรมทั้งคืนข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาตลอดคืนทดลองดูสิไม่ใช่ว่ากินแลนอนก่อนแลนงกินแลนอนเป็นวันวันไปวันไหนกับวันเก่าวันเก่าวันไหนไม่มีวันพิเศษเลยไม่มีวันที่เที่ยงตรงตัวตัวเองเลยอันนั้นแปลว่าปฏิบัติ ไม่ได้ผลบางทีบางวันต้องจริงจังต้องเสียสละเพื่อสู้อย่างสุดๆทดลองไปสินี่แหละการปฏิบัติต้องมีวันหนักวันเบานะไม่ใช่วันไหนก็วันเบาท่านหนักตลอดก็ดีก็ได้แต่ว่ามันไม่ไหวอันนี้เราก็ต้องสุ่มช่วงไหนที่ อ, อจิตใจของเราบางทีจิตใจของเราว่าวุ่นขุ่นมัวจิตใจของเราร้อนรุ่มหาความสุขมาทไม่วะ ทำไม่วะมันเป็นอย่างนี้วะเอาที่เราอดนอนซน่อสิไม่ถันอาหารนะสินั่งภาวนาซิเอาอย่างเต็มที่หน่อยสิเป็นยังไงเอาชนะใจตัวเองให้ได้หน่อยสิเนี่ยอันนี้ก็คือการภาวนาการปฏิบัติทาาว่าเออจิตใจช่วงนี้ภาวนาเออเข้าทารู้จึกจิตใจสงบพร่มเย็นเป็นสุขราบพึงเออนาจะไปได้เลยเร่งภาวนาเขาอีก เร่งเข้าไปอีกภาวนาเอาตัวเองเข้าไปอีกนั่นแหละอันนั้นก็จะได้รับความสงบร่อเย็นเป็นสุขในอีกไปอีกในระดับหนึ่งมันสู้ทั้งสองอย่างถ้าว่าจิตใจของเราถอยปวกเปียกอ่อนไม่เอาทานเรามอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะไปอ่อนทําไมสู้ตายเป็นตายนี่เราก็จะได้รับผลเป็นที่พึงพอใจแต่เมื่อเราภาวนาจิตใจมันติดขึ้นไปนระดับหนึ่งเราก็เร่งภาวนาอีก อันนั้นก็ได้ในระดับหนึ่งค่ะครูบาอาจารย์ท่านสู้นะอ่าไม่ใช่ท่านอยู่เฉยๆนะจะอยู่เฉยๆบางทีกันะอ่าจิตใจคลายกรถอยหลังกูดกูดกูดตีลังกากับเหตุไม่หลงปู่จามแล้วท่านออกจากมุกดาหารบ้านของท่านนู่นไปอยู่ทางเชียงใหม่อยู่แถวไหนแม่ห้องสอนเอ่จังหวัดน่านที่ไหนก็ไม่รู้แม่น้ำกกอยู่แถวไหน่แม่น้ำกกของพ่อก็ยังไม่เคยเห็น ท่านว่าท่านไปภาวนาอยู่นั่นนะตามขึ้นไปจอดแม่น้ำกกไปอยู่กับพวกกะเหลี่ยงพกแมวไอ้พวกนั่นอ่ะพวกชาวเขาเนี่นบิดทาบาทมาแล้วก็เจใจมันทำไมมันร้อนวะมันทำไมมันร้อนภาวนาอมันก็ไม่สงบพยายามอยู่ในป่าดงพงไพ่มันกับปงฟงซ่านอยู่ตลอดเ น, นมันเป็นยังไงบะม่มันยังคิดปุงฟงถึงขนาดนี้วะ ท่านไปนั่งอยู่ฝั่งน้ําแม่กกใช่ไหมน้ำแม่กกมองมองแล้วก็ใสน้ําเขียวอยู่ในกลางลรงน่ ะ, mm hmm. ะท่านมองลงไปไปเห็นขอนไม้ขอนหนึ่งหนาต้นเสาเนี่ยมันพาดอยู่ในน้ํานะมันพาดอยู่ในน้ําแต่น้ําก็ไหลพัดดินงออกไปไม้แต่้นมันก่งอยู่ในน้ําท่านก็มองมองดูทดลองเลยสิว่ามันทําไมใจมันไม่สงบวะ ข้าจะต้องมุดลงไปไปภาวนาวอจะไต่น้นําลยซิมันจะเป็นยังไงฮพานันเนี่ยใหลวงปู่จามเนะี่ยฉันหาวิธีทําใจขอ้ท่านทํำไมใจมันคิดปรุงฟุ้งเหลือเกินเอาอย่างไงมันก็ไม่อยู่เนี่ยบริกรรมอันไหนก็ไม่อยู่ทดลองเลยซิปะ่ะท่านก็มุดลงไปในน้ำนะฮะให้ว่าภาษาบ้านเรากัดเน็บเตียวว่ากันแต่เออนุ่งผ้าเน็บเตียวดีดๆเฮะเออไม่มีผ้านั่นแนหะ มีแต่าอังสาแทนมดลงไปมดลงไปไปอยู่ใต้ขอนใช่ไหมขอนมันอยู่ในน้ำอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเอถ้ามาอยู่เหนือขอนมันก็จะลอยมันจะลอยขึ้นบนน้ำใช่ไมถ้าเนี่ยกลงไปมดอยู่ใต้ขอนเอามือค้าขอนไว้เออตีนยันขอนไว้เอามือค้าขอนไว้พอค้ำเลยก็ภาวนาเลยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธทโธพุทโธทโตพุทโธจนใจจะขาดวะเนี่ย เนีพอใจด้ขาดมุด่อโลขึ้นมาข้างบนอีกหายใจเสก่อนเหมนกันเถอะพอจะได้มดลงไปอีกมันจะเป็นยังไงใจมันเป็นยังไงมันคิดยังไงเอาดูสิเออมันจะไม่อยู่กับตัวเองจริงๆเหรอเนีมันจะปุงไปที่ไหนบ้าเอาดูสิมดลงไปอีกเอาขาตีนข้ำถอนไม้เอามือข้ำถอนไม้ไปจู่ไต้น้ำเลเออกั้นใจเฉย มันกั้นใจแต่ก่อนหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทใช่ไหมกั้นใจเลยพอกั้นใจแล้วพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพ่ทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโ พอจากนั้นจะค่อยขึ้นมาออาบน้ําอาบท่าค่อยเดินจงกรมภาวนาต่อนนี่แหละวิธีการภาวนากูบาจารุ่นเก่าๆท่านพูดให้ฟังดูๆกันนึกขับเหมือนกันนะแต่มันขัไม่ออกอย่างั้นเถอะพราะมันขับไม่ออกจุดไหนก็คือตรงที่มันใจร้อนน่ะนี่มันใจมันปรุงมันฟุ้งมันร้อนอยู่ตลอดเนี่ยมันหาความสุขไม่ได้ในการเป็นอยู่ถึงจะอยู่ในป่าดงพงไพ่อยู่ตามลําพังก็ร้อนอยู่อย่างนั้นนี่มันหาความสุขไม่ได้ ก็มีทางเดียวเทานั่นเอาไปสู้กับมันด้วินี่แหละวิธีการสู้วิธีการปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาสมัยเก่าก่อนท่านไม่ใช่อยู่เฉยเฉยเตลวีละวันไม่ใช่อย่างนั้นนะเนีผ้าลูกผ้าลานะให้ถ้าอกตั้งใจนะภาวนานะเดินจงกรมให้มีหนักมีเบาอย่างที่ว่านะี่นะอดนอนบ้างพอผ่อนอาหารอย่างไรยังอดนอนอีกเดินจงกรมอีกบังคับอีกข้าพเจ้าวันนี้เป็นวันพระ เอ่อตั้งแต่นั่แหละตั้งแต่หัวค่าตั้งแต่เมื่อเช้าข้าพเจ้าจะให้มีสติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดวันนี้ไม่คิดปุ่มฝุงไปทางอื่นพอตกตอนเย็นมาก็เอานั่งนะจ๊ะพยายามบังคับให้อยู่กับตนเองอย่าให้มันเผลอไปทางอื่นนั่นแหละอันนั้นแปลว่าสู้กับตนเองสู้กับอารมณ์ตนเองถ้าทําได้อย่างนั้ น, นองค์นั้นจะเดินทางแล้ว่าจะติดใจจะ จะเลื่องอกเงยขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไเพราะเอาชนะเขานี่เข า, าเอาชนะเองรู้วิธีเลยนะรู้วิธีการเอาชนะตัวเองนะแต่ทางว่าอยู่เป็นเฉยๆวันๆไปเนะ่ยไม่รู้อะไรแพ้อัไมนรู้อะไรชนะผลที่สุดเราเป็นผู้แพ้อยู่ตลอดเวลาผลที่สุดก็ไม่ไหวเหมือนกันฮะขึ้นไปทีไรกิเลสน็อกเอาผลที่สุดงัวหัวขึ้นก็นไม่ได้กิเลสต็อกเลผลที่สุดนอนลาบกับพื้นเลยกิเลสต็อกเหมือนกันนักมวยฮนงะ เนีขึ้นไปตูส้สู้ต่อสู้คนน็อกเอาเนยกำลังของเราสู้เขาไม่ได้เนีแต่ถ้าว่าเราขึ้นไปแล้วก็น็อกกิเลสน เ, เนี่ยน็อกเขานี่เออเอาชนะมันได้ไปพอน็อกครั้งที่สองเหนือกวากิเลสเนี่ยผลในสุดก็เอาชนะกิเลสลาบคาบเลยถอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านน็อกกิเลสเนะ่ะในขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะสู้นะสู้ในใจนะตอนนี้ไปคณนะสงฆ์จอนุโมทนาให้พรรับพร